รพท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราบันทำไบุญกันให้มากๆเพราะบุญนี้เป็นเหมือนน้ำมันของจิตใจของชีวิตของพวกเราที่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจของพวกเรายัางต้องเดินทางต่อไปเพราะที่เกิดที่เรามาเกิดอยู่ในขณะนี้ เป็นที่อยู่ชั่วคราวเป็นเหมือนที่เติมบุญเป็นเหมือนสถานีบริการเวลาเราขับรถยนต์เดินทางไกลพอเราเห็นปั๊มน้ามันเราก็ต้องจอดแวาเพื่อเติมน้ำมันเพื่อที่เราจะได้เดินทางต่อไปได้เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพถ้าเราไม่ว่าจอดเติมน้ำมันเลย หรือเวลาจอดที่ปั๊มก็ไม่ไปเติมน้ํามันกลับไปกินไปดื่มอะไรต่างๆลืมเติมน้ํามันให้กับรถยนต์พอขับรถยนต์ไปได้ไม่ไกลน้ํามันหมดก็ไม่สามารถขับไปได้ก็ต้องเข็นรถไปจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่กําลังเดินทางออกจากวัฏสงสาร ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดจุดหมายปลายทางของชีวิตจิตใจของพวกเราก็คือพระนิพพานการที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้เราต้องเติมน้ำมันให้แก่รถยนต์ให้แก่จิตใจของเราอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เรามีโอกาสมีเวลาเราควรที่จะทำบุญกัน อย่างวันนี้ญาติโยมมีเวลาว่างจากภารกิจการงา น, งานต่างๆแทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ามาทำบุญกันมาเติมน้ำมันให้แก่จิตใจของเราเพื่อจิตใจของเราจะได้เดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายปราศจากปัญหาต่างๆ พาให้เราได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพาให้เราไปสู่พระนิพพานไปพบกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สิบชนิดด้วยกันบุญชนิดที่หนึ่งเรียกว่าทานทานก็คือการให้การแบ่งปัน สิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้สำหรับตัวเราเองมีมากเกินไปไม่ควรที่จะหวงเก็บไว้ควรเอามาทำบุญเอามาเติมน้ำมันให้แก่ชีวิตจิตใจทานนี้ก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งเรียกว่าวัตถุทานวัตถุทานก็คือ สิ่งของต่างๆที่เราให้แก่ผู้อื่นเช่นวันนี้เราเอาข้าวของเงินทองกับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานต่างๆมาถวายพระภิกษุอันนี้เรียกว่าเป็นการถวายวัตถุทานถ้าเรามีวัตถุทานเราก็ถวายวัตถุทานไปถ้าเราไม่มีวัตถุทานแต่เรามีความรู้เช่นเราเป็นครูเป็นอาจารย์ สอนหนังสือรายได้ไม่มากแต่มีวิชาความรู้เราก็เอาวิชาความรู้มาสั่งสอนเช่นมาสอนเด็กในเวลาเลิกโรงเรียนแล้วสอนพิเศษโดยที่ไม่เก็บเงินเก็บทองอย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาทา น, นถ้าเราไม่มีความรู้แต่เรามีใจที่เมตตากรุณาเวลาใครมาทำให้เราเสียอกเสียใจ ทำให้เราเดือดร้อนเราก็ให้อภัยทานไปเราไม่ถือโทษโกรธเคืองเราให้อภัยให้อภัยแล้วใจเราจะเป็นสุขใจเราจะไม่ร้อนเป็นนรกเวลาเราโกรธเกลียดภาคาดพยาบาทใจนี้จะร้อนเหมือนไฟนรกพระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราดับไฟนรกด้วยน้ําของความเมตตา น้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าคือความเมตตาสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรนิกรรมกันเถิดจงให้อภัยกันเถิดเพราะการให้อภัยจะทําให้เราเย็นสบายแล้วจะทําให้เราไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมไม่ต้องไปรับผลบาปผลกรรมนี่คือ ทานชนิดที่สเรียกว่าอภัยทานถ้าเราไม่มีเงินไม่มีข้าวของไม่มีวิชาความรู้แต่เรามีธรรมะเช่นพระสงฆ์องค์เจ้ามาบวชไม่มีเงินมีทองสิ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะให้ทานได้ก็คือธรรมะสั่งสอนธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนแสงสว่าง ที่จะนำพาชีวิตของเราที่อยู่ในที่มืดนี้ได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานการให้ทั้งสี่ชนิดนี้มีการให้ธรรมะเป็นการให้ที่ดีที่สุดชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ มากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเช่นวัตถุข้าวของเงินทองวิชาความรู้ทั้งโลกหรืแม้แต่การให้อภัยการจะให้อภัยได้ก็ต้องมีธรรมะมาสอนเราก่อนนี่คือทานที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำกันอยู่เรื่อยๆและการทำทานนี้ก็ทำได้กับทุกคนสัพเพสัตตา ทำได้กับสัตว์ทุกชนิดสัตว์นี้ก็คือจิตใจที่ยังเวียนว่ายตายเกิดแล้วมาเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเทวดาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเดรัชานก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเราสามารถทำทานให้กับสัตว์ได้ทุกประเภทถ้าเราเจอใครเขาเดือดร้อนหรือเราอยากจะให้เขามีความสุขเราก็ แบ่งปันข้าวของเงินทองให้กับเขาไปอย่างวันนี้ญาติโยมก็เอาเข้าวของมาให้กับพระสงฆ์เจ้านะการทำบุญกับพระหรือการทาบุญแก่ญาติโยมนี้ได้บุญเท่ากันคือบุญที่ได้จากความสุขใจอิ่มใจนีเท่ากันแต่มีบุญอีกอันหนึ่งที่ต่างกันก็บุญที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วย เช่นเรามาทาบุญกับพระเราก็จะได้รับธรรมะกลับไปเป็นของแถมเป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปเติมน้ามันตามปั๊มต่างๆเราไปเติมน้ำมันแต่ปั๊มแต่และปั๊มบางทีเขาก็มีของแจกบางปั๊มก็แจกน้ำบางปั๊มก็แจกผ้าเช็ดหน้าบางพระบางบางปั๊มก็มีการเสี่ยงโชคชิงโชค เวลาเราไปเติมน้ำมันเราก็ต้องเลือกปั๊มเลือกสิ่งที่เราอยากได้อยากอยากได้ของแถมชนิดไหนเราก็ไปปังง๊มงั้นเช่นอยากได้ชิงโชคก็ไปหาปั๊มที่เขามีการชิงโชคอยากได้น้ำาด่มก็ไปเติมน้ำมันที่มีการแจกน้ำาด่มอันนี้แต่สิ่งที่เราต้องการเวลาเราไปที่ปั๊มก็คือน้ำมันน้ำมันนี่เหมือนกัน ไปเติมปั๊มไหนก็น้ำมันเหมือนกันราคาเท่ากันขับเคลื่องรถยนต์ได้เหมือนกันบุญที่เราทำไม่ว่าเราทํากับใครก็เป็นเหมือนน้ำมันเติมเติมแล้วก็ทำให้จิตใจเรามีพลังมีความสุขอันนี้จะไปเติมที่ไหนก็ได้ทํากับใครก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ที่บ้านก็ได้ <c oughs> ทํากับพี่กับน้อง ก็ได้ทำกับสามีภรรยาก็ได้ทำกับญาติสนิทมิตรสหายก็ได้ทำกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ทำกับคนแกคน่คนชราคนพิการก็ได้ได้บุญเหมือนกันคือได้น้ำมันเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะได้จากคนที่เราไปทำนี่ต่างกันถ้ า, าทำบุญกับพ่อกับแม่แม่ก็จ ะ, อะขอบอกขอบใจเรา สรรเสริญยกย่องเยินยอเราถ้าเราไปทำบุญกับโรงพยาบาลเราไปคุยกับหมอคุยกับพยาบาลเขาก็จะสอนวิธีดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้กับเราถ้าเราไปทำบุญกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีวิชาความรู้มาแบ่งปันให้กับเราอันนี้เป็นของแถมที่เราจะได้จากการทำบุญ แต่ของที่เราจะได้กันทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะทําบุญกับใครก็คือบุญคือความสุขใจอิ่มใจที่เป็นเหมือนน้ํามันที่จะขับเคลื่อนชีวิตจิตใจของเราให้ขึ้นไปสู่ที่สูงตามลําดับให้เราไปสวรรค์ชั้นต่างๆให้เราไปถึงพระนิพพานอันนี้คือบุญที่เราได้รับกันจากการให้ทานดังนั้นแล้วแต่เราจะเลือก ถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องมาทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้านี้ท่านเป็นผู้ศึกษาธรรมะแล้วท่านก็จะสอนธรรมะให้กับพวกเราอย่างวันนี้พวกเรามาทำบุญที่วัดเราก็เลยได้ยินได้ฟังธรรมการได้ยินได้ฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะาจะทำให้เรา ได้รู้ธรรมะที่เราไม่รู้มาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วธรรมะที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับแล้วจะกาจัดความสงสัยต่างๆได้เช่นวันนี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าทำบุญกับใครบ้างตอนนี้ไม่ต้องสงสัยทำกันได้ทุกคนทำกับพระก็ได้ทำกับโยมก็ได้ ทำกับสุนัขทำกับแมวทำกับนกทำกับปลาก็ได้บุญเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราทำบุญนี้ก็ต่างกันไปแล้วแต่สิ่งเขามีอะไรเขาก็ให้เราทำบุญกับพระเราก็จะได้ธรรมะทำบุญกับหมอกับพยาบาลเราก็จะได้วิธีดูแลรักษาสุขภาพทำบุญกับครูอาจารย์ตามโรงเรียน เราก็จะได้วิชาความรู้ต่างๆแล้วแต่เราจะเลือกเราอยากจะได้อะไรก็ไปทำกับคนที่เขามีอะไรให้กับเราแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าการทำบุญกับพระสงองค์เจ้านี้ดีที่สุดเพราะสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาก็คือธรรมะธรรมะนี่เป็นของที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีอะไรจะทำให้เรา <c oughs> ไปถึงพระนิพพานได้มีแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นการที่เราไปทำบุญกับพระที่มีธรรมะมากมากมา ก, ก็ถือว่าได้บุญมากๆถ้าอยากได้ธรรมะมาก ที่สุดก็ทั้งทาบุญกับพระาอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลองลงมาก็คือพระาอารหันตสาวกลองลงมาก็คือพระอนาคาเมีพระสกิดาคามีพระโสดาบันนี่คือพระที่จะมีธรรมะให้กับเราถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องไปหาพระอริยเจ้า หาพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถ้าไปหาพระระดับอื่นจะไม่สามารถสอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปหาพระที่เก่งทางนั่งสมาธิท่านก็จะสอนให้เราไปสู่ชั้นสวรรค์ชั้นพร ม, มโลกไปหาพระที่สอนให้เรารักษาศีลทำบุญทำทานท่านก็จะ ส่งให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นเทพเนี่ยไปทำบุญกับพระที่สอนว่าอยะให้รักษาศีลไว้ให้ดีเราก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะการทำบาปนี้จะทำให้เราต้องไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับ จากการที่เราทำบุญกับบุคคลต่างๆดังนั้นเราอยากได้อะไรเราก็ไปทำกับบุคคลนั้นถ้าเราอยากได้ธรรมะแต่เวลาเรามาวัดเรามาใส่บาเศเสร็จเราก็กลับบ้านไม่รอไม่อยู่รอฟังธรรมเราก็จะไม่ได้รับของแถมได้แต่น้ำมันไปเพียงอย่างเดียวคนบางคนคิดว่าไปทำบุญกับพระอาหารหันต์แล้วจะได้บุญมาก แต่ไปใส่บาศเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยไม่อยู่ฟังเทศฟังธรรมไม่คุยกับพระถ้าคุยฟังเทศฟังธรรมก็จะได้รู้ได้ฟังเรื่องต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปทําบุญกับพระอริยเจ้าแต่ถ้าเราไม่อยู่รอฟังเทศฟังธรรมเช่นใส่บาศเสร็จเราก็กลับบ้านเลยเราก็จะได้เพียงแต่น้ํามัน ได้บุญกลับไปแต่จะไม่ได้ของแถมของแถมก็คือธรรมะที่จะเป็นแสงสว่างพาชีวิตของเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีธรรมะนี่เราจะไม่มีวันที่จะเล็ดลอกออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ตายกี่ครั้งก็ต้องมากับกี่ครั้งไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ามีธรรมะชาตินี้อาจจะเป็นชาติสุดท้ายของพวกเราก็ได้ ถ้าเราพยายามปฏิบัติสร้างบุญต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้สร้างคือนอกจากบุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วเราก็ต้องสร้างบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปก็คือการรักษาศีล ร, รักษาศีลห้ารักษาศีลแปรักษาศีลห้ารักษาศีลแปแล้วเราก็ต้องมาสร้างบุญที่เกิดจากการภาวนา การภาวนาก็คือการชำระใจของเราให้สะอาดชำระเชื้อของภพชาติที่มีอยู่ในใจถ้าใจของเราสะอาดด้วยการภาวนาเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอนี่คือบุญที่เราต้องทำหลังจากทำทานแล้วเราก็ต้องมารักษาศีลกันรักษาศีลแล้วก็มาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบกัน แล้วก็สอนใจให้ฉลาดให้รู้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดดังนั้นเราอย่าไปหวงอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะจะทําให้เราทุกข์เราจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเราคิดถึงสมบัติข้าวของ ต, งต่างๆที่เรามีอยู่พอเราตายไปเราก็อยากจะกลับมาหาสมบัติข้าวของ หาความสุขต่างๆที่เราไม่อยู่มันจึงทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้ว ร, รู้ว่าการยึดติดจะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเราก็อย่าไปยึดติดปล่อยวางถึงเวลาจาก ก, ากันก็จากกันอย่างสงบไม่หวงไม่ห่วงแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป นี่คือบุญที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดนอกนั้นก็ยังมีบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญเนี่ยวันนี้เดี๋ยวทำบุญเสร็จเวลาพระสวดมนต์อนุมโมทนาเราก็กรวดน้ำไปกรวดบุญไปให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเช่นปิดามาดาผูยา้ย่าตายายเพื่อเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากบุญที่เราส่งไปนี้ก็จะช่วยเผื่อลดเขาวิ่งไปแล้วน้ามันหมด เราก็ส่งน้ํามันไปให้เขาเติมเพื่อเขาจะได้เดินทางต่อไปจะได้ไปเกิดที่ดีต่อไปได้นี่คือการอุทิศบุญอุทิศน้ํามันให้แก่จิตใจของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนั้นเราก็มาทําบุญด้วยการอนุโมทนาบุญเวลาใครเขาทําบุญเราก็ต้องแสดงความชื่นชมยินดีร่วมบุญไปกับเขาแล้วเราจะมีบุญเพิ่มขึ้นอีกน แล้วเราก็มาสร้างบุญที่เกิดจากการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าทําตัวโอดเก่งอวดดีอวดใหญ่อวดโตจะทําให้เราไม่ไม่สบายใจถ้าเราทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะมีแต่คนรักคนชอบเราจะทําให้เรามีความสุข ถ้าเราอวดแบ่งอวดโตวอวดใหญ่จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราเราก็จะไม่มีเพื่อนเราก็จะไม่สบายใจนอกจากนั้นก็มาทําบุญที่เกิดจากการช่วดลับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเห็นผู้อื่นเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากก็ไปช่วยเหลือกัน มาวัดเห็นวัดไม่สะอาดก็ช่วยกันเก็บกวาดขยะกันเข้าห้องน้าเห็นมันเปือนก็ช่วยกันล้างกันทำความสะอาดกันเวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างชามให้แกัววัดอย่างนี้ก็เรียกว่าบุญบุญที่เกิดการจากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็บุญต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าการทำบุญนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราเห็นว่าบุญนี่แหละที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกแห่งการเวรไหว้ตายเกิดนี่คือเรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องคนเชื่อว่าบุญมีจริงทำบุญแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าไม่ไปทาบุญก็จะต้องกลับมาเวรไหว้ตายเกิดนี่คือความเห็นที่ถูกต้อง แล้วข้อสุดท้ายบุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ญาติโยมได้กําลังฟังอยู่ขณะ น, นี้ก็จะได้บุญหลายอย่างได้ยินได้ทมฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนทมที่เราเคยได้ยินแล้วพอได้ฟังซ้ำบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นแล้วจะช่วยกําจัดความสงสัยต่างๆไปได้ว่าบุญมีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่ สวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ถ้าเราฟังธรรมแล้วเราจะหายสงสัยเราเชื่อเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงนี่คือบุญที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมน่าจะทาให้ใจเราสงบ ของใสทุกครั้งเวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมใจเราจะเย็นจะสบายมีความสุขนี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากันให้ทําบุญในพระพุทธศาสนาอย่าไปทําบุญที่ไม่มีอยู่ในคําสอนของพระพุทธศาสนาเพราะมันไม่เป็นบุญพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรูงรู้ว่าบุญคืออะไรบุญที่ไม่ใช่เป็นบุญคืออะไร เช่นการไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรต่างๆเปลี่ยนทิศทางของบ้านเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนอะไรของพวกนี้ไม่เป็นบุญอย่าไปทําให้มันเสียเวลาทําบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําก็พอนับรองได้ว่าจะมีแต่ความสุขและความเจริญจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆได้อย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพรศะศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแควงแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ